ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานพระพุทธภาสิปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพ่อพูนวิเวกอธิบายความพระอ า, าจารย์อาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อถึงการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลูก่นอกทางบ้านต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้าน ต้องยอมทําอกุศลกรรมบ้างท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื่อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิ้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวยอมติดขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาฉันใดการที่จะให้เกิดลาบสการะก็ฉันนั้นต้องคดบ้างตรงเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาบสการะที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมก็มี เช่นเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีมัญญาตเรียบร้อยเป็นที่เลื่อมสายของผู้พบเห็นแก่ภิกษุผู้เป็นพระุูสูตรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้บำเพ็ญ ป, ปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาบเกิดเกินเสียไม่ใช่คนบอดก็ทำเป็นเสมือนบอดไม่ใบไม่หนวกก็ทำเป็นเหมือนเสมือนใบเสมือนหนวกไม่โอโอวดไม่มีมายาละความพอใจในราบสาการะเสียพอกพูนวิเวกให้เกิดในใจ วิเวกนั้นมีสามคือกายวิเวกคือสงัดกายจิตตวิเวกคือสงัดจิตอุปธิวิเวกคือสงัดกิเลสอุปธิมีสี่คือขันธ์หนึ่งกิเลสหนึ่งอาภิสังขารหนึ่งและกรรมคุณหนึ่งการอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติแต่ชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวก กายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตวิเวกบรรเทาความหมักมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายวิเวกของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วป็นอย่างยิ่ง และอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพานภิกษุพึงยินดีพอใจพ่อภูลวิเวกทั้งสามนี้คำอธิบายของพระอธกถาาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระศาสดาตรัสพระพุทธภาสินีที่เคตวนารามเมืองสาวธีทรงปรารบพระติสัทเถระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องยอดดังนี้ในกรงราชเกมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสน เป็นเพื่อนกับวิดาพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบิณฑบาต ท, ที่บ้านด้วยจังใจอนุเคราะห์แต่มาหาเสนพรามหมลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวายําอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาดเต็มด้วยข้าวปลายากและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกละที่แห่งหนึ่งเพราะพอกลับถึงเรือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากถวาย วันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายธรรมของพราหม์แล้วต้องการส่งเคราะห์จึงไปยังที่นั้นพรามได้ถวายข้าวปายาดและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปลายาดที่บ้านของพราหม์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราหมณ์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสําเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วหลีกไปพราหม์นั้นถวายทานแล้ว มีปิติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทำการะแล้วไปเกิดในสกุลอุปถัก์ของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งครรภ์มารดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสายะและถวายข้าวมัทุปายาตแก่พระสงฆ์ห้าร้อยอาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพนิมิตว่าบุตรจักได้บวชในพระาศาสนาพวกญาติ ได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมัถุปาญาติแก่พระสงฆ์ห้าร้อยมีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางได้ น, นุ่งผุมผ้ากาสายะในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลงในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทําวิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคาแสนหนึ่งเขานอนบนผ้ากำพลแต่ดูพระเถระแล้วจําได้คิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานี้เพราะอาศัยพระเถระ จึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาไาวพระเถระเขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทําให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทําไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้าปืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมสายภาษารีบุตรมาก จึงตั้งชื่อบุตรว่าติสสะเหมือนชื่อพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นเครหอขัดที่ชื่อว่าอุปติสสะเมื่ออายุเด็กติสสะนั้นเจ็ดขวบก็ออกบทเป็นสามาเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามาเณรติสสะนั้นมีกูรูสนผลทานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามาเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและผ้าพเป็นอันมากคอยดักถวายสามาเณร ได้ผ้าสาดกเป็นจํานวนพันผืนในระยะเวลาเพียงสองวันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามเณรมีลาภคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอนิสงค์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกมื่ อ, อยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพรามวันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่า ทำไมจึงต้องผิงไฟภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเนนบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้ภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเนนมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเนนจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตาม ต, ามต้องการในตำนานเล่า ว, ว่า พิสุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึงหนึ่งพันรูปสามเณรพาพิสุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนําผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจํานวนพันเพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนโกรณีที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ต่อมาสามเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนัก เพราะมีผู้คนไปมาหาโซ่อยู่เสมอไม่ขาดได้จึงทูลลาพระศาสดาไปอยู่ในเสนาสนาป่าห่างจากวัดเชเทวันถึงหนึ่งรอยยี่สิบโยตอุบาสกผู้หนึ่งอยู่ปากทางเห็นสามเณรแล้วเกิดความรักความเลื่อมใสพาสามเณรไปในวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วนิมนต์ให้ออกไปรับบิณฑบาต ท, ที่หมู่บ้านของตนทุกๆเชา้าเขาออกจากป่าแล้วมาที่หอกเปลประกาศชาวบ้านว่าสามเณร วณวาศีติสมาอยู่ที่นี่แล้วขอให้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายท่านด้วยตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากป่าไปบินธบาตก็มีผู้คนศรัทธาถวายกันมากถวายแล้วก็ไม่กลับเรือนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบือ่อและหมอบลงแทบเท้าของสามเณรแล้ววิงวอนให้อยู่จำสรรษาณที่นั้นพวกเขาจากรับสลาณะสามรับศีลห้าศีลแปดและศีลอุบสถตามสมควร สามเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นและให้พรมนุษย์เหล่านั้นว่าขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกเถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามเณรจะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกปรรษาแล้วพระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามเณรคันมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปถัมของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีภาษารีบุตรเป็นต้น พระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรมแต่ผู้อุบาสกบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกันแล้วเรียนให้พระสารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรอื่นเลยนอกจากขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเถระรูป อ, อื่นแสดงธรรมเถิดอย่าให้สามเณรแสดงเลยพระสารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ สามเณรกล่าวธรรมกถาได้อย่างไพเราะพิศดารในหัวข้อเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์และสรุ ป, ปลงว่าผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์พระเถระอันโมธนาในธรรมกถาของสามเณรแล้วให้ว่าสารพัญญาต่อสามเณรก็ว่าในอย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวก พวกหนึ่งติดเตียนสามเณรว่ามีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดนี้แต่ไม่เคยแสดงธรรมให้อุปถากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งสรนเสริญและเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูสัตวโลกได้ทรงทราบเหตุ น, นั้นแล้วทรงดำริว่าหากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่พอใจสามเณรจะตกนรกจึงเสด็จไปอย่างที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจร่าเริงยินดีที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าโดยไม่ได้คาดหมาย ได้ชวยได้ชวนกันถวายาโคและพัดเป็นอันมากแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศา ส, สดารงฆ์อนุโมทนาว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วที่พระอสีติมหาสาวกมาที่นี้และเราก็มาที่นี้เพราะสามเณรติสะเป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีทุกนากันพวกที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีปรีดา พวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมสายยิ่งขึ้นเมื่อจบอนันโมทนามหาชนได้สําเร็จอริยผลเป็นอันมากพระศาสศดาสเสด็จกลับกับสามเณรตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรกราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งสเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรตรัสถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรทูลว่า เมื่อร้องไห้อยู่ในสังสารวัตรน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาตรัส อ, อนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อถึงเงื้อมแห่งภูเขาพระศาสดาตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่ทิ้งสิริร่ของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่ายลอยู่ในสังสารวัตนี้กําหนดไม่ได้พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ชื่ออุ ป, ปะสาละหกะ ปูกเผาตรงนี้ถึงหนึ่งมืนสี่พันครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะหนึ่งธรรมหนึ่งไอหิงสาหนึ่งสัญย ม, มะหนึ่งธมะหนึ่งมีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกดังนี้พระศาสดาตรัสถามสามเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์หรือสามเณรทูลว่าไม่กลัว การได้ยินเสียงสัตว์ทําให้มีความพอใจในเดนนาสนาป่ามากขึ้นเมื่อพระศาสดาจะเสด็จกลับสู่เชตวนารามรัมแต่ถามสามเณรว่าจะไปด้วยหรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปัชาคือพระสารีบุตรแต่อัธยาศัยของเธอใคร่จะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระศาสดา และไหว้ทิศสุสงฆ์แล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดากลับเชตวันวิหารวันหนึ่งพิสูจทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามารถติดสัตย์ทำสิ่งที่ทําได้ยากฉละลาบสการะเป็นอันมากในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวฉ้นอาหารที่ครุกเคร้ากันพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาส่งทราบตามสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิด ราบเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอาทิมีนัยะดังพน า, นาวไว้แล้วแต่ต้น